คนทุกคนนะครับต้องการความสงบสุขอยากมีชีวิตที่สงบสุขราบรื่นแะ่เราต้องพบกับความวุ่นวายบ่อยสิ่งที่ปรากฏขึ้นครับชีวิตของผู้คนนะั้นมักจะสวนทางกับสิ่งที่เขาต้องการ ที่น้เมื่อเกิดความวุ่นวายแล้วก็ปรารถนาความสงบเมื่อต้องการความสงบก็ขนขวายที่ที่จะปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความสงบแต่ถ้าตราบใดที่ยังไม่ตัดต้นเหตุของความวุ่นวาย แล้พยายามเข้าถึงความสงบนั้นความสงบก็จะกลาเสิ่งชั่วคราวทานั้นดังนั้นสาระของการปฏิบัติอยู่ที่ตัต้นเหตุของความวุ่นวายมากกว่าที่จะสร้างความสงบชั่วคราวขึ้นอุปมาเหมือนใครสักคนหนึ่งเนี่ยซื้ลังชาอเห็นน้ำเดือด เราไม่เข้าใจว่าเหตุที่น้ำเดือดเนี่ยเพราะมันมีฟืนมีไฟลุกไฟกำลังต้มน้ำอยู่ก็อยากจะให้น้ำเรียสงบไม่ให้มันเดือดก็เอามือไปตกตบมเข้าเพื่อให้น้ำมันไม่เดือดผลก็คือทั้งไม่สำเร็จแล้วก็ทั้งเจ็บปวดเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นบุคคลที่อยากสงบนั้น มักจะพบกับความวุ่นวายเรื่อยไปเช่นอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนอยากจะเป็นคนสงบกลับรู้สึกว่าเพื่อนนึงพูดดังมา ก, มากสิ่งแวดล้อมนี่ยิ่งเวลวร้ายหนักขนีเพราะเราไปอยากสงบขึ้นทีนี้เราไม่ต้องการความสงบแต่เราเพียรที่ตัดต้นเหตุของความวุ่นวายเรื้อร้อนความสงบ ก, ก็เกิดขึ้นเอง เมื่อคนผู้นั้นเข้าใจสมัยเขาเพียงจะเอามือสาไฟเรือฟืนออกไม่ช้าไม่น า, นานน้ำนั่นก็เริ่มสงบแล้วน้ำก็เริ่มเย็นกลับมาสู่สถานะเดิมได้นี้เราจเจริญนิพพานนะครับปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อที่จะตัดต้นเหตุของความเดยดร้อน ดังนั้นเราต้องไม่สร้างความเดือดร้อนชนิดใหม่ขึ้นและต้องไม่สร้างเหตุของความเดือดร้อนอย่างใหม่ขึ้นต้นเหตุของความเดือดร้อนใจนั้นไม่ใช่อะไรอื่นคือนิสัยเคยตัวที่จะไม่รู้เนื้อรู้ตัว วิสัยนี้ก็คต้องฟักตัวเันทีละน้อยทีละน้อยอาศัยเชื้อคือความเพลิดเพลินในอารมณ์เราดูทีวีแล้วก็สนุกเพลิดเพลินเพลิดเพลินแต่บางเอิญขณะนั้นมีคุณพ่อหรือพี่มาปิดโทรทัศน์เราก็จะโกรธเพราะเรากำลังเพลินอยู่แต่สมมติว่าเรา นอนหลับในขณะทีวีกมังมีละครสนุกแต่เราไม่ต้องการจะดูมันอยู่แล้วและใครเดินมาปิดเราก็ไม่โกรธเพราะเราไม่ไม่ติดมันอยู่แล้วดังนั้นความเพลิดเพลินในอารมณ์นั่นเองที่เป็นเชื้อหล่อเลี้ยงให้ให้นิสัยของเราหมุนไปในทาง ที่จะเป็นทุกข์ได้บ่อยๆเราทําอะไรแล้วก็เพลินเพลอไปเรื่อยจะเที่ยเราก็เที่ยเรื่อยๆจะดื่มเราดื่มเหล้าเมาสุราเราก็ดื่มมาเรื่อยๆในสุกเพลินจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเรามักจะลืมตัวแล้วก็เพลินเข้าไปในในสิ่งที่เรากระทา เพราะมีอะไรสักอย่างมาขัดขวางหยุดยั้งสิ่งที่เรากำลังเพลินตาเพลินใจเนี่ยมันก็จะกลายนโทสะขึ้นมาทันทีการเพลิดเพลินนั้นเป็นการย้อมติดเหมือนเลาเราเอาผ้ า, าขาวๆเนี่ยจุ่มในสีสีย้อมผ้ามันก็ติดยิ่ง สีดีเท่าไหร่คัยิ่งติดหนักอารมณ์ยิ่งสนุกเท่าไหร่ยิ่งอ ร, อร่อยเท่าไหร่ยิ่งติดหนักและลืมยากแกะออกยากถ้าพวกเราเป็นชาวท้องนาก็าคงเคยเห็นควายหรือวัวแล้วเราคงเคยเห็นปลิงซึ่งคี่เขาเรียกปริงควายน่ย ดูดขาขวาแล้วตัวโตวเท่ากําปั้ง น, นะครับดูดเลือดติดแล้วออกยากดึงด้วยมือนี่ไม่ใช่จะดุดชาณาหรือผู้รู้เขาจะเอายาเส้นยาพื้นบ้านยาสูบยาเส้ น, นครับแล้วก็ผสมกับปูนเขา้าแล้วก็คลุกน้ำแล้วก็บีบบีบลงไว้ที่จุดที่ปริงดูด ควมันในสึกมันจะหลุดเองเพราะว่ า, าปริงมันมันแพ้แพ้ยาเส้นฉันไทยก็ฉะนั้นนะครับเมื่อเรารู้สึกตัวมากๆเราก็จะหลุดออกจากความเพลินนะครับฉันั่งคิดอะไรเพลินพอรู้สึกตัวก็หลุดตรงปัต tn ี้ไม่เพลินไม่เผลอ เวลาปฏิบัตินั้นหลักใหญ่ที่ว่าให้เผลอน้อยลงน้อยลงเมื่อเผลอน้อยลงน้อยลงมันก็รู้มากขึ้นมากขึ้นทีขึ้นไหวขึ้นโดยธรรมชาตินั้นสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์หรือกิเลสนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาแต่มันจะจรเข้ามาจับเป็นพักๆเป็นครั้งๆ เมื่อตาเราไปเห็นอะไรสวยๆเข้ามันก็เกิดเพลินขึ้นมามฟังเสียงอะไรเั้ๆจะเป็นเพลงก็ดีหรืออะไรก็ดีแล้วเราฝึกปรือที่จะให้มันเพลินด้วยอย่างนั้นนานเข้าเนี่ยครับเราค่อยๆกลายเป็นคนที่อ่อนแอ เมื่อไม่ได้ดังที่ต้องการก็จะกลางคนที่เพราะไม่หนักแน่นไม่รากฐานในตัวเองไม่หนักแน่นเพราะชอบติดยึดในอารมณ์แล้วเนี่ยจะร่วมงานร่วมการกับใครร่วมชีวิตกับใครนันก็ไม่หนักแน่นเมื่อไม่หนักแน่นในทุกทุกทางแล้วความสัมพันธ์กับเรากับผู้คนเนี่ยมิตรภาพความรักความรับผิดชอบก็จะ จะน้อยลงน้อยลงในสุดทุกโทษก็เกิดขึ้นรอบด้านครับเปรียบเสมือนไม้ซึ่งเร า, เาพิงไว้ที่จอมปลวกเราไม่รู้จักจอมปลวกเอาไม้ไปพิงมันเข้าไม่ช้าไม่นอนครับปลวกก็กินจนแม้รูปทรงภายนอกจะดูเป็นไม้อยู่แต่ข้างในไม่มีอะไรเหลือพวกมเหงเคยพบคนเช่นนีมมากครับ ก็เลเห็นโทษมันมากบางคนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคุณหญิงคุณนายดูภายนอกสง่างามท่าทีร่ำรวยมีแหวนเพชรหลายวงแต่พอ ส, สนทนาปราัสแล้วจึงรู้ว่าคนคนนี้ไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีราคาแม้แต่นิดเดียวตัวเขาสู้เพชรของเขาก็ไม่ได้ตัวเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากความติดยึดในอารมณ์อ่อนแอ ขี้ระแวงคนอื่นหงุดหงิดแล้วก็ริษยากันละกันนะคในสุดหัวใจของคนคนนั้นนะครับกลายเป็นไม่มีน้ำเลี้ยงคือจะทำอะไรนี่เป็นเรื่องเสแสร้งแกล้งทำปกป้องตัวเองตลอดเวลา